หนึอาสาทายะปันนรสกะว่าด้วยการดอกกรถินด้วยการถือจีวรหลีกไป15กรณี315ภิกษุกรานกรถิ่นแล้วถือจีวรหลีกไปอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทําจีวร น, นี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับให้ทําจีวรผืนนั้น การเดาะกรถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยธรรมจีวรเสร็จภิกษุกรานกรถินแล้วถือจีวรหลีกไปอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะไม่ให้ธรรมจีวร น, นี้จะไม่กลับการเดาะกรถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยตกลงใจภิกษุกรานกรถินแล้วถือจีวรหลีกไป อยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทาจีวร น, นี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับให้ทาจีวรผืนนั้นจีวรที่ภิกษุนั้นให้ทานั้นเกิดเสียหายการดอกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยผ้าเสียหายติกะที่หนึ่งจบภิษุกรากระถินแล้ว ถือจีวรหลีกไปคิดว่าจะไม่กลับอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทําจีวร น, นี้นอกสีมานี่แหละให้ทําจีวร น, นั้นการเดาะกรถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยทําจีวรเสร็จภิกษุกรานกรถินแล้วถือจีวรหลีกไปคิดว่าจะไม่กลับอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่า จะไม่ให้ทำจีวร น, นี้การเดาะกระถินของภิสษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยตกลงใจภิสุกราดกระถินแล้วถือจีวรหลีกไปคิดว่าจะไม่กลับอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทำจีวร น, นี้ให้ทำจีวร น, นั้นจีวรที่ภิสษุนั้นให้ทำเสียหายการเดาะกระถินของพิสษุนั้น ชื่อว่ากําหนดด้วยผ้าเสียหายติกะที่สองจบภิกษุกรานกระถิ่นแล้วถือจีวรหลีกไปโดยไม่ตั้งใจไม่ได้คิดว่าจะกลับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะไม่กลับอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทําจีวร น, นี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับให้ทําจีวร น, นั้น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 ชื่อว่ากาหนดด้วยผ้าเสียหายติกะที่สามจบภิกษุกรานกรถินแล้วถือจีวรหลีกไปคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทำจีวร น, นี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับให้ทำจีวร น, นั้นการดอกกรถินของภิกษุ ชื่อว่ากําหนดด้วยทำจีวรเสร็จภิกษุกรานกรถินแล้วถือจีวรหลีกไปคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะไม่ให้ทําจีวร น, นี้จะไม่กลับการดอกกรถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยตกลงใจภิกษุกรานกรถินแล้วถือจีวรหลีกไปคิดว่าจะกลับ อยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทำจีวร น, นี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับให้ทำจีวร น, นั้นจีวรที่ภิสษุนั้นให้ทำอยู่นั้นเกิดเสียหายการดอกกระถิ่นของพิสษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยผ้าเสียหายภิกสูกรานกระถินแล้วถือจีวรหลีกไปคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมา ให้ทำจีวรผืนนั้นทําจีวรเสร็จแล้วได้ทราบข่าวว่าในอาวาสนั้นกรถิ่นดอกเสียแล้วการดอกกรถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยได้ทราบข่าวภิกษุกลานกรถินแล้วถือจีวรหลีกไปคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาให้ทําจีวรผืนนั้นทําจีวรเสร็จแล้วคิดว่าจะกลับ จะกลับแล้วล่วงคราวกระถินดอกนอกสีมาการดอกกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยล่วงเขตภิกษุกรานกระถินแล้วถือจีวรหลีกไปคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาให้ทำจีวรผืนนั้นทำจีวรเสร็จแล้วคิดว่าจะกลับจะกลับแล้วกลับมาทันกระถินดอก การดอกกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่าดอกพร้อมกันกันกบภิกษุทั้งหลายฉักกะจบอาทายะปันนรสกะจบ